เมื่อวานพอฉันจังหันเสร็จหลวงพ่อก็ไปที่อำเภอนาสมไปเทศบาล น, นางงัวที่เขาจะคัดเลือกนายกเทศมนตรีนางงัวและก็สอทอด้วยวันที่ยี่สิบที่จะถึงคณะกรรมการรุ่นเก่าเขาคนนี้มน์อยากจะให้หลวงพ่อไปพูดกับผู้ที่สมัครรุ่นใหม่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 สู่การเมืองท้องถิน่นเหรอแต่ถึงยังไงยังไงทําใม่พอใจเดี๋ยวจะหาว่าหลวงพ่อเข้าข้างนุ่นข้างนี้อีกแต่หลวงพ่อไม่เข้าข้างไหนนะเข้าข้างที่ถูกต้องนั่นแหละเมื่อวานในหลวงพ่อก็เลยได้ไปพูดให้สื่อสัต์สุดจริตให้เคารพกฎหมายนะการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนอย่าซื้อสิทธิขายเสียงตามที่เขาพูดนั่นแหละ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 ทุกคนมันต้องเตรียมใจไว้อย่าไปคิดว่าชนะอย่างเดียวต้องเตรียมความผิดหวังไว้ด้วยโลกนี้เป็นโลกอนิจจงไม่ใช่ไปลวกโลกที่อยู่ตั้งใจอย่างไรได้อย่างนั้นไม่ใช่โลกอนิจจงของไม่เทียเ่ยงแต่ถ้าว่าพวกเราทำดีแล้วนะ่ะความดีแล้วนะ่ะจะคุ้มครองถ้าเราทำไม่ดีเทวดาก็ไม่ช่วย แต่ถ้าเราทำดีแล้วเทวดาช่วยนะหลวงพ่อจะพูดเล่านิทานให้ฟังเล่าเป็นเรื่องเราให้ฟังหลวงพ่อได้อ่านในธรรมจักสุกก็น่าฟังเหมือนกันนะเป็นนิทานถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนนิทานอีศกของเมืองไทยสมัยเก่านะแต่เข า, าเป็นนิทานของอิศกพ ม, ม่าเหมือนกันอืม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 ลูกชายมีพัญญาซะมีลูกสะภ้ยก็คงจะมาดูแลบ้านให้ลูกชายก็ไปทํางานนอกบ้านก็คงจะสะดวกสบายขึ้นผู้แม่คิดอย่างนั้นเพืเลยไปหาลูกสะภ้แล้วก็แต่งงานกับลูกชายต่อมาลูกสะภ้ยนี่ก็ดีพอมาต่อมาต่อมากัแม่ยากับลูกสะพ้ายเป็น ตั้งแต่ดึกจำบันมาแล้วมันเข้ากันไม่ค่อยได้ต่อมากับจับผิดจับถูกแม่ผัวของตัวเองเท่นี่เฮีย ห, หาว่าแม่ผัวกินมากด้วยพอกินมากแล้วยังม่แล้วยังให้หมูหมากาไก่กินอีกยังมาแล้วยังให้นกกินอีกธรรมดาผู้เฒ่ามันก็ต้องมีเมตตาคนผู้คนแก่ก็ต้องมีเมตตามออ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 คนใจกว้างกับคนขี้เหนียวนันมันไม่เข้ากันไม่ได้เด้พออยู่ต่อมาต่อมาก็เอาอยัางไงเถอเนี่ยจับสอบผัวแล้วเถอเนี่ยผัวสามีก็ใช่จะทำยังไงแม่ตัวเองฮะผมใดยส่ก็เลยแฟนก็นเลยยื่นโนตเต็มนีออ คุณจะเอาแม่แล้วคุณจะเอาชั้นเหมือนเชนนี้เออคุณจะเอาแม่และคุณจะเอาชั้น น, นี่นะทั้ทงสามีเนี่ก็อึ้งแล้วเางั้นกัะเถอแม่ก็แก่แล้วแฟนนี่ก็จะอยู่ด้วยกันนานก็ต้องเอาแฟนไว้ก่อนวะก็แล้วสามีก็เลยบอกว่าจะให้ผมทํำยังไงยอดที่รักเพื่อเด้ทั้งแฟนก็เสนอแนะทันทีแล้ว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 ทั้งแม่ผัวเนอะไปหาเก็บผักแม่แม่ก็อยากคนชอบป่าอยู่แล้วงั้นพอลูกชายลูกสะพายชวนนะนั้นแล่ละผูดเท่าก็จินดีเลยงั้นแหะไปด้วยกันเข้าไปในป่าพอเข้าไปในป่าลึกๆนี้เอเจตนาไม่ดีของลูกสะพายกับลูกชายมันมีอยู่แล้วเตรียบเชือกไปแล้วงั้นผลี่สุดเอาผ้ามัดปากไม่ให้ร้องผลีนสุดก็มัดแขนเสดต้นไม้ พอมัดแสนในต้นไม้ท่นี้กับสองคนเขากลับมาบ้านแล้วท่านี้พอกลับมาแล้วก็เขาจะมันพอเสือมันมากแถวนั้นอะ่ะทีนี้พอตกกลางคืนพอค่ำค่ำมาเสือก็ออกมาหากินเลยท่านี้พอเสือเห็นคนนะแล้วมันโจรเข้ามาพอโจรเข้ามาลูกขะเทวดาที่อยู่ต้นไม้เนี่ยเนี่ยลูขะเทวดานี่ถ้าเป็นศีลเป็นธรรมมันก็ปกป้องแนะ้ะทารักใคร ทุกขาเทวดาแสดงตนให้ปรากฏเป็นงั้นเลยหยุดเชือ้เอเหนอข้าต้องพิสูจน์ก่อนว่าคนคนนี้นเป็นคนดีไหมถ้าเป็นคนดีเธอกินไม่ได้นะ เ, ะเพราะความดีคุ้มครองเ้าคุณงามความดีธรรมะต้องคุ้มครองคนดีถ้าว่าเธอกินคนดีเนี่ยบาปกล้ามติดพบติดชาติไม่ได้ผุดได้เกิดละแก่ พอนั้นเธอต้องหยุดซะก่อนข้าต้องพิสูจน์ซะก่อนว่าคนนี้เป็นคนดีหรือไม่เสือก็หยุดจึกว่างันได้พอหยุดขึ้นมาลุกขาเทียวด่าเลยกัได้ขนนกมาว่างันได้ได้ขนนกมาก็ยนนกากแยงจมูกว่างันได้ธรรมดาลองๆแนละ้วเอาขนนกแยงจมูกตัวเองเป็นยังไงมันก็จ้ามเลยใช่ไหมพอเอาขนนกแยงจมูกหัดใช้พุทโธธรรมโอสังโฆจะคนแก่นะ่ะ พวกคนวัดคนวานใช่ไหมคนวัดคนมาเวลาจามคือมากเกิดลนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันหัดช่วยพุทธโธธรรมสังโฆกัน <c oughs> แยงอีกแย่งที่ไรกับพุทธโธธรรมสังโฆผลที่สุดลุกขะเทวดาบอกว่าเอ้ยเสือเธอกินไม่ได้หรอกคนนี้เป็นคนธรรมะธรรมเห็นไหมเวลาเขาจามแต่ละครั้งเขายังระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ คนมีคุณธรรมเธอไปกินไม่ได้เธอถ้าเธอกินคนอย่างนี้เข้าไปเนะี่ยไม่รู้กี่พกกี่ชาติเธอจะต้องเป็นบาปเป็นกล้ำอีกนานเลยหยุดไม่ต้องกินไปหา ก, กินอย่างอื่นไปเสือก็เลยถอยหลังไปแต่ยายนี่ไม่เห็นลูกขาเทวดานเห็นแต่เสือเหมืนกันเถอะเสือมันกระโดดเข้ามากัดใจหายใจคว่แลงมันจะมากิ น, งงนเหมือกนะจากนั้นมันก็เลยล่าถอยไปเสือไม่มากิน แต่นี้ตาแกก็เห็นว่ามันเงียบแล้วก็ตาแกก็คงจะเหนื่อยน่ะหลับหลับกาเชือกผูกว่างั้นนะค mm. งจะเป็นลุกทีเทวดา ม, มาแก้เชือกให้เถอะนะ mm. ตาแกก็เลยนอนกาะนอนกองกับพื้ น, น mm. พอสว่างตื่นขึ้นมาเห็นแตาหาใบหนึ่งอยู่ปลายเท้าว่างั้นเถอะเทวดาก็เห็นสงสารยายแก่เป็นคนมีคุณธรรม mm. ควรจะเอาให้รางวัลเอาทองคํามาเป็นรางวัลตะแก แล้ทองคำใส่ในไหยพอแบกหนักๆเลยเนาะั้นตะแก่ก็ลุกขึ้นมาเอ๊ะมันไหยอะไรเปิดดูันเป็น เ, เป็นทองคำเป็นก้อนๆเป็นเม็ดๆทองคำเต็มตะแก่ก็ยกมือท่วมหัวสาธุสาธุสาธุงั้นนะเออจากนั้นก็ได้ไหยทองคำแล้วก็ตะแก่ก็เดินออกมาเลยเดินออกมาหาทางออกของคนมันรู้จักทางไปทางมาคนในุ่ง ข่าไม่ไปละ้าไปหาลูกชายลูกสะพ้ายอีกเดี๋ยวมันจะค่าเราอีกหนึ่งมันจะคิดค่าเราชัดๆแต่ข่าเนี่ยยายแกยหนังเกี่ยวเนี่กัออกจากดงไปแหละใไปกับไปไกลที่สุดว่างั้นเนี่ยพอไปถึงญาติพี่น้องห่างๆลเลยก็เลยเอาทองขายทองสร้างบ้านซื้อบ้านขอสร้างบ้านซื้อบ้านสะดวกสบายเลยใช่ไหเอ่า แต่๋ยนีอ้ลูกสะพยกับลูกชายนี่ยคอยฟังคงจะเงียบไปแล้วมั้งอ่ยายแก่คงตายแล้วยายแก่หนังเหี่ยวเนี่วกั้นลูกสะพ้ายผลที่สุดต่อมาได้ยินว่ายายแก่คนหนึ่งลูกชายลูกสะพ้ยเอาไปผูกไว้ในปา่าวันนอกมันเสียงดังเร็วดเอยไปผูกไว้ในป่าให้เสือกินเอยายก็เลยออกมาจากปา่า ได้ไหายทองมากนะันเลยเนี่ยมาขายทองแล้วก็ซื้อบ้านสร้างบ้านได้รับความสุขความสบายไม่ไปใกล้ลูกจะพายลูกชายเลยอย่างเงี้ยห น, นีออกจากบ้านมาเอ๊ะเลยเลูกจะพายเกิดนั่นกันเลยเอ๊ะไม่ใช่แม่ของเราเหรอไปสอดสองสองดูซิอย่งเ้ยก็เลยไปสอดสองดูอ่างเงี้ยเดินทางไปไปสอบสืบสอบดูจริงไหม พอไปโอ้จริงจริงจริงวะเออเราคิดว่าเราจะให้เสือกินกลับมาล่ลํารวยอีกแต่นีนก้กลับมาบ้านอะไรกลับมากับทางเมียของตัวเองลูกสะภัยยายแก่หนังเหี่ยวนั้นก็นบอกเออต้นต้นไม้ต้นนั้นคน ต, ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้างันขนาดเราเอาจะยายแก่ไปมัดแล้วแต่แกยังล่ลํารวยให้ ให้ให้ให้เธอเอาเอาฉันไปมัดใส่ต้นไม้เถอะนะปัดเ น, นี่ยคนว่าเพื่อนก็อยากรวยเหมือนแม่ผั ว, วเหนะมั้นกันแต่ได้เอ้าวดีตรงไอ้ผู้ผัวน่ยก็อยากจะรวยเหมือนกันเหงือนกันออยากจะรวยเหมือนกันลูกสะพ้ยนะ่ยก็อยากจะรวยเหมือนกันแต่ได้ก็ให้ผัวตัวเองไปมัดใส่ต้นไม้บัดเนอพอตกเย็นเย็นมาเสือก็มาอีกเหมือนกันพอเสือมาขาวเนี่มันก็จะกำหม่อมไป ลูกขาเทวดาก็ไปห้ามไม่อีกเลยยศเสือให้ขาดทดสอบลูสกสะกอนว่าเขามีคุณธรรมไหมถ้าเขาไม่มีคุณธรรมเออค่อยว่ากันงั้นใครเข้าเทวดาเนี่ยคุ้มครองคนมีคุณธรรมคนไหนไม่มีศีลไม่ทำเทวดาไม่คุ้มครองเลยแต่นี้ก็เอาขนนกเลยเอาปีกนก่ขนปีกนกแยงเข้าจมูกเลยพอแยงเข้าจมูกลูกสะพ้เนี่ย หัดเฉยหายทองอยู่ไหนแยงแยงเข้าจมูกอีกว่ะหัดเฉยหายทองอยู่ไหนเพราะมันเพราะในใจมีแต่คิดถึงหายทองเหมือนกันเถะพ่อแม่ผัวได้หายทองเนะ่ยแย่ที่ไรก็มีแต่่าคิดหาหายทองเหมือนกันเนละลูกค้าเทวดาเอ็นเอ้ยอันนี้มันยายนี่เป็นมันคนโลภนะวะคนไม่มีคุณธรรมมีแต่โลภอย่างเดียวเออ มันไปทางกิเลสมันโลภอย่างเดียวคิดคด่าคนอื่นก็เพราะความโลภมาขนาดที่มามัดติ้ต้นไม้ขนาดนี้ก็ยังคิดความโลภอยากจะได้หายทองอีกอลูกข่ดเทโอดาก็ได้บุยปากเอาเสือกินได้อย่างนั้นบอกให้เสือกินได้เสือก็เลยกระโดดเข้ามากำหม่ำซะกินซะอพอกินเสร็จแล้วทางสามีอยู่ในบ้านก็คิดแล้วกันทาไม ทำไมแฟนของเราจึงไม่แบกแมไม่แบกหายทองหายเงินกลับมาบ้านมาอาจะได้ก็เลยไปดูดูพอไปดูเห็นต่โครงกระดูกว่างันเถอะเสือกินแล้วนั่นก็เลยหนุ่มวันนี่เลยเสียทั้งเมียเสียทั้งแม่ว่างันเถบะเมียก็ถูกเสือกินแม่ก็ห น, นีจากบ้านนี่แหละ น, นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปโลก ทานโลกขึ้นมาแล้วเทวดาไม่คุ้มคลองให้เป็นคนดีถ้าเป็นคนดีเทวดาจะคุ้มคลองถ้าเป็นคนไม่ดีแล้วเทวดาอารักษ์ทางหลายจะไม่คุ้มคลองเพราะเหตุว่าคนไม่ดีมีแต่ความโลภไม่มีคุณธรรมในจิตในใจแต่ยายแก่คนนั้นเขามีคุณธรรมเนะเขารักลูกของเขาแล้วก็มีคุณธรรมในจิตใจอีก ภาวนาของเขาอีกเวลาเขาจามเพียงเขาจามกันนึกถึงพุทโธธรรมโอสังโฆออกปากเนเทวดาก็คุ้มครองนี่แหละหลวงพ่อพูดเมื่อวานเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะพูดที่จะสมัครเป็นนา ย, ยกก็ดีเป็นสอทอก็ดีให้มีคุณธรรมในจิตในใจถ้ า, าว่าผู้ใดก็ตามไม่มีคุณธรรมในจิตในใจแล้วมนุษย์ก็ไม่รักเทวดาก็ไม่รัก ภูมิมะลูกขะเทวดาก็ไม่คุ้มครองคุ้มครองคนไม่ดีถ้าใครทําดีแล้วเทวดาคุ้มครองถึงจะได้หรือไม่ได้เราก็สบายใจได้แล้วก็เออดีเป็นบุญวัาสนาบา ร, รมีของเราที่ได้เราได้ทํามาได้เป็นเจ้านายของคนทาไม่ได้เอ อ, อเราคงไม่มีบุญวัฒนาสนาเราควรจะ ส, สร้างบา ร, รมีขึ้นมาอีก สั่งสมบรรมีให้มากขึ้นอีกสั่งสมคุณงามความดีให้อีกให้มีเมตตาต่อคนให้มีการเกือ้อกูลหนุนอย่าไปเอารัดเอาเปรียบงคนเดี๋ยวก็บรัรมีของเราก็แก่กล้าขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่ถ้าเรามีแต่เอารัดเอาเปรียบมีแต่ดกดตรจะโกงเพื่อนมนุษย์เขาจะให้เขาจะให้ความไวเนื้อเชื่อใจกับเราได้อย่างไร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 ร่างกายเพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาหรือเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามาคราวนี้ให้ให้มาศึกษาให้มาศึกษาเรื่องของใจจะทํำยังไงใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้แต่ถว่าพวกเรามาแล้วยังมาคิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นอันนั้นแปลว่าผิดที่ผิดทางเหมื น, นั้นะไม่ได้มาทั้งที่พวกเราจะมาหาแก่นไม้กลับมาเอาใบไม้เหมือนน กับมามาอยู่วัดแล้ทำไมเราจึงเป็นทุกข์อย่างนี้อาหารการบริโภคอย่างนี้การนอนอย่างนี้การเป็นอยู่ไม่สะดวกสบายอย่างนี้เราไม่คิดแต่ภายนอกอย่างนั้นแปลว่าเรามาหาหาเปลือกหากัะพีหาสะเก็ยบไม้เราไม่ได้มาหาแกศ์ถ้าเรามาหาแก่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงให้เมื่อมาอยู่ป่าอย่างนี้เมื่อมาอยู่ป่าอย่างนี้ให้ทำยังไง ว่าให้เดินจงกรมขาขวาพุธขาซ้ายโธพุทธโธพุทธโธเดินนานเท่าที่จะนานได้จากนั้นก็มานั่งนั่งขัดสมาธิเหมือนกับพระประธานเนีที่พวกเรามองเห็นขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าพุธหายใจออกโธพุธโธพุทธโธแต่ถ้ามันยังมี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 เราทดลองด้เป็นการทดสอบทดลองจรุปแล้วก็คืออยากจะให้รู้ว่าให้มีสติเรามีสติดีขนาดไหนถ้าเรามีสติดีนับไม่หลงนับเท่าไรไม่หลงถูกต้องสักสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครั้งสิบครั้งจากนั้นก็บริกรรมพุทโธพุทโธต่อเลเป็นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธมีสติสัมปะชัญญะในเมื่อมีสติดีแล้วจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเย ขั้นตอนแห่งความสงบเลยยังค่อยว่ากันอีกต่อไปเป็นยังไงแต่ตามจริงถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เราปลูกต้นไม้อย่างนี้เราปลูกมะม่วงอย่างนี้เราไม่ต้องบรลยายแล้วมันใหญ่ขึ้นไปแล้วมันจะต้องขาดน้าก็ต้องเป็นดอกเป็นผลเวลานั้นต้องเป็นเม็ดเป็นหน่วยเราไม่ต้องผูดเราเพียงจะรักษาต้นมะม่วงให้ดีใส่ปุย๋ยใส่น้ำให้พอเหมาะให้อยู่ในอากาศโล่ง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 เพียงสามอย่างนี่ก่อนนะอันแรกก็คือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอันที่สองก็คือถ้ามันยังมีช่องว่างให้พุทโทพุทธโทพุทธโทขณะที่จิตเรานึกคิดนะอันที่สามก็คือให้พวกเราเนับหนึ่งสองสามถึงถึงร้อยแล้วก็นับหนึ่งสองสามถึงร้อยมันเพลอ๋อไหมถ้ามันไม่เพลอเลยก็แสดงว่านับถึงร้อยได้หนึ่งนาทีแล้ว สติของเราดีหนึ่งนาทีไม่เพลอเพราะนั้นให้พวกเราทุกท่านนะลูกหลานทุกองค์นะภาวนาเรามาปฏิปฏบัติเรามาภาวนามาคราวนี้มาภาวนาไม่ใช่มาอย่างอื่นแล้วข้าพเจ้าจะพยายามทำให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะต้องตั้งใจอย่างนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอเลยทดลองทีแต่ฉันจะหันเข้าไป เดินเข้าไปกุติทำกิจวัตรเสร็จแล้วก็เอา้าดูใจตัวเองเข้าไปเจ้าจะไม่ให้เผลอเล ย, ยทดลองดูสินี่แหละเป็นการฝึกขัดเรื่องจิตตภาวนาพวกเราให้ทำให้ฝึกอย่างนี้นะรับพรอนุมโมทนาให้พร